สารมดีบรมได้กล่าวกเราด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมวลทินได้คิดขึ้นได้มีปรากฏอยู่ในแกว้มกฎแล้วซื้อมาแต่ก่อนขอบรงจงเปิดประตูนิพานอันไม่ตายจัดทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคผู้ปราศจากมวลทิน ได้ตรัสรู้แล้วเถิดคนยืนบนชั้นเ ง, งันเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจักสุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ประสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมูสัตว์ผู้เกลื่อนกล่นด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกทูกความแก่และความตาย ครอบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีนี่สินขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ครั้งหนึ่ง เมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ความคิดข้อนี้ได้มีขึ้นแก่เราว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันหนอความรู้สึก น, นี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า อาระผู้กรรมโคดนี้แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยมานานักแล้วถ้าไกรเราควรแสดงธรรมแกอาระะผู้กรรมโคดนี้ก่อนเถิดเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่คนในครั้งนั้นเทวดาได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคำนี้ว่า แต่พระองค์ผู้เจริญอาราผู้กระหมมโกดได้ตายลงเมื่อเจ็ดวันที่แล้วและความรู้สึกก็ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอาราผู้กระหมมโคด ต, ตายลงเสียเมื่อเจ็ดวันที่แล้วอาราธผู้กระหมมโคดได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วพรากว่าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันทีเดียว ความคิดอนนี้ได้เกิดมีขึ้นกระว่าอุทตกะผู้รามบุตรนี่แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีจุลินในดวงตาแต่น้อยมานานแล้วถ้าไครเราควรแสดงธรรมแก่อุตตกะผู้รามบุตรนั้นก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ในที่นั้น เทวดาได้เข้ามาเราแล้วกล่าวคำนี้กับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุททกะผู้รามบุตรได้ตายลงเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้วความรู้สึกอันนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับเาว่าอุทธกะผู้รามบุตรได้ตายเสียเมื่อคืนตอนดึกนี้แล้วอุทธกะผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณ น, นันใหญ่เสียแล้วเพราะหากว่า เธอได้ฟังธรรมนี้ไซเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมได้โดยพลันทีเดียวเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้โดยพลันหนอความรู้นี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าภิกษุปัญจพักคีได้อุปถาเราเมื่อบำเพ็ญความเพียรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราถ้าใคร เราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้ง5้านั้นก่อนเถิดความสงสัยได้เกิดขึ้นแกเราว่าบัดนี้ภิกษุทั้ง5้านั้นอยู่ที่ไหนหนอด้วยจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เราได้เห็นภิกษุทั้ง5นั้นผู้อยู่แล้วที่เมืองวรณสี นะปาอิสิปตนะมฤคตยวันครั้งนั้นเราอยู่ที่ตมบลอุรุเวลาตามพอใจแล้วก็ได้หลีกไปทางแห่งเมืองพรณนศีอาชีวะกะชื่ออุ ป, ปะกะได้พบเราที่ระหว่างตะบลขยาและตำบลโพธิเขาได้กล่าวคำนี้กับเราผู้เดินทางมาไกลว่าท่านผู้มีอายุ อินทรียของท่านผ่องใสนะักหิวพันธ์ของท่านหมดจดขาวผ่องท่านผู้มีอายุท่านบวเจอดจงกับใครหรือว่าใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจทำของใครเมือ่ออุปการชีวกถามเราอย่างนี้แล้วเราได้ตอบเขาด้วยคำที่ผูกเป็นกาบว่าเราเป็นผู้คราบงามได้หมดเป็นผู้รู้จบหมด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะทำเป็นที่สิ้นตัญหาหรูยิ่งเองแล้วจะต้องกล่าวเจาะจงเอาใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้เป็นเหมือนเราก็ไม่มีผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีทั้งในโลกและเทวโลก เราเป็นอาารันในโลกเราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักในเมื่อโลกนี้เป็นราวกตาบอดเราได้กระนำตีกลองแห่งอมตะทำแล้วดังนี้ลำดับนั้น เราจะรีกไปโดยลำดับไปสู่เมืองพรณนสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุทั้งห้าณนะป่าอิสิปัตนะมรุกไทยวันแล้วภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นเห็นเรามาแต่ไกลได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่าผู้มีอายุพระสมณโกดมนี้กำลังมาอยู่เธอเป็นผู้มากมากสลัดความเพียร เวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหว้อย่าลุกรับอย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จะตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็นั่งได้ก็เราเข้าไปใกล้ภิกษุทั้งห้านั้นด้วยอาการอย่างใดเธอไม่อาจตือตามกติกาของตนด้วยอาการอย่างนั้นบางพวกลุกรับ รับบาดและจีวรแล้วบางพวกปูอัสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอยังร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโคดอมด้วยและโดยคำว่าผู้มีอายุด้วยครั้นเธอกล่าวอย่างนั้นเราได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งห้านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเรียกร้องเราโดยชื่อ และโดยคำว่าผู้มีอายุเลยเราเป็นอรหันตัะส ม, มาธบบิธุทธเช่าเธอจงเงี่ยโสดลงเราจะสอนน้ำาตาธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเดียวจะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้และตั้งอยู่ในตำนานได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วพิสุทธังหานั้นกล่าวคานี้กล่าวว่าท่านผู้มียุคโคดมแม้ด้วยอิริยาปฏิปทาและทุกรกรกิริยาขนาดนั้น ท่านยังไม่บรรลุคุณธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์หรืออรมาหริยะยาทัศนวิเศษได้เลยก็ในบัดนี้ท่านเป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วทำไมจะบรรลุกุณธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์อรมาหริยะยาทัศนวิเศษได้เล่าภิกษุต้งหลาย ต, ตาคตไม่ได้เป็นคนมากมาก สลัดความเพียนเวียนมาเป็นคนมากๆหรอกตตาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองพวกเจอจงเงี้ยโสดลงเราจะสอนอรมมตาธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเทียวก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ ได้ด้วยปัญญาันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลวุฒิผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบในครั้งนั้นภิกษุทั้งหานั้นก็ได้กล่าวคํานี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกเราก็ได้กล่าวคํานี้กับภิกษุทั้งหานั้น แม mm ้ครั <ét als vivo> ้งท네ี่สองว่าอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ภิกษุทั้งห้านั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สามอย่างเดียวกันกับครั้งแรกครั้นภิกษุทั้งห้ากล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวคำนี้กับพวกเธอว่าภิกษุทั้งหลายเธอจำได้อยู่หรือคำอย่างนี้นี่ที่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลาย ในการก่อนแต่นี้บ้างหรือหาไม่เลยท่านผู้เจริญภิสูุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ประสรูชอบได้ด้วยตนเองเธอทั้งหลายจงเงี่ยสงบลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเทียว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 เรากล่าวสอนพิกษุรสองรูปอยู่พิสูตรสามรูปเที่ยวบินนาบัดเราหกคนด้วยกันเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่พิกษุรสามรูปนํามาบางคราวเรากล่าวสอนพิสูตรสามรูปอยู่พิสูตรสองรูปเที่ยวบินนาบัดเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่พิกษุรสองรูปนํามานะ ที่ปาอิสิปตนะเมืองกัยวันใกล้พระนครพรณนศีเราได้แสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจับวิขีนั้นอย่างนี้ว่าภิกษุตั้งหลายมีสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดตรงอยู่สองอย่างที่ปัญญชชตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดตรงนั้นคืออะไรเล่า นั่นคือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใครในการมทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่อย่างต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้หนึ่งในการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนามาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้อย่างที่สองภิกษุต้องหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดตรงทั้งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ ต, ตาคตได้ตรัสรู้พร้อมจะปราะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจากสุเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพานก็ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางไม่ดิ่งไปหาที่สุดตรงสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคื อ, อข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ปประการนี่เอง แปนประการอย่างไรเล่าคือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียนที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องเหล่านี้แหละคือข้อปฏิบัติ ที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมจบแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจากสุทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานพิจตรงาหลายนี้คือความจริงอันประเสริฐ เ, เรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความรัดรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันทั้งหที่ประกอบด้วยความยึดถือนั่นแหละเป็นทุกข์ พิสุทั้งหลายเหล่านี้คือความจริงกระเบิเรื่องแดงเกิดของความทุกข์นั่นคือตัณหาอันเป็นเครื่องที่ทำให้มีการเกิดอีกนันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินทำให้มักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็น และตัณหาในความไม่มีไม่เป็นพี่สุทั้งหนายนี่แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่มีเหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเองคือความสลัดทิ้งความสลละคืนความปล่อย ความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นพิสูจน์ต่งหลายและนี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเครื่องทํามสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความนําริที่ถูกต้อง การพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องพิสูจนั้งหลายจ้งสู่เกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วแกเรว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นแกรว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เกิดขึ้นแกเรว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์นี้เราตถาคต กำหนดรู้รอบแล้วพิสุทต์ทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกรว่านี้คือความจริงประเสริฐเรื่องแดนให้เกิดของทุก เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงกระเสดคือแดนเกิดของทุกนี้เป็นสิ่งที่ควนละเสียเกิดขึ้นเกเรว่าก็ความจริงกระเสดคือแดนเกิดของความทุกนี้เราตัตาคตละได้แล้วพีสุตตองหลายจางสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอระเริ table. คือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตาาคตได้ทำให้แจ้งแล้วพิสุตตังหลายจากักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิจาเกิดขึ้นแล้วแสงสวา่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เรา ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วแกเราว่านี้คือความจริงการประเสริฐคือข้อปฏิบัติเรื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงการประเสริฐคือข้อปฏิบัติเรื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทาให้เกิดมี เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอประเสริฐคือข้อปฏิบัติเรื่องธรรมสั์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้วพิสุทิ์ต้องหลายตลอดการเพียงใดที่ยานัตถสนะเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเรานั้นมีราบสามมีอาการสิบสอง ในอริยสัทย์ทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นยานัศสนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมฉบาะแล้วซึ่งอนุตตระสัมมาสัมพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็เมื่อใดญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นนามที่เป็นจริงของเราอันมีรอบสามมีอาการ12สองในอริยสั์ทั้งสี่เหล่านี้เป็นญานณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่า เราเป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมจะพร้อแล้วซึ่งอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมินพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ญาณทัศนะได้มันเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าวิมุตของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้พบใหม่ที่จะมาเกิดอีกย่อมไม่มีก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธธรรดนี้อยู่ธรรมจากสุทันปราศจากทุลีปราศจากบนดินก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนธัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ยังกินจิสมุตยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรร ม, มันติก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักแล้วเราภุ ม, มะเทวดาได้ประกาศว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณนะบาอิสิปตนะบฤุษกตายวันใกลรพระนครประนาสี อันสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชันจะตุมหาราชิกาได้ฟังเสียงของพวกภุมมะเทวดาแล้วพวกเทพชันดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพชันจะตุมหาราชิกาแล้วพวกเทพชันยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชันดาวดึงแล้ว พวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วพวกเทพชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วพวกเทพชั้นปารินิมิตะสวัสดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมก็ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปารินิมิตะ สวัสดีแล้วเทพเหล่านั้นได้ประกาศว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณนะป่าอิสิปต น, นะมรึกตทยวันใกลพระนครปราณสีอันสมนรรมัพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ในขณะนั้น เสียงได้ระบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการจะนนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเตือนแสงสว่างอันโอรานอันหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทัท้งหลายจะบปรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมนพราหมณ์ พร้อมทั้งเท ว, วดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตาริกนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนอนทการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิอนุภาพอย่างนี้จองไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสันที่เกิดอยู่ในที่นั้นก็รู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกัน น, นี่และเมื่อโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสัว่นสะท้านสะเตือน แสงสว่างโนรานจนหาประมาณไม่ได้ได้เกิดขึ้นในโลกเกินกว่านุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเปลงอุทานขึ้นว่าโกธัญญะได้รู้แล้วเนาโกตัญญะได้รู้แล้วหนอญญเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกตัญญะ จึงเป็นชื่อของท่านโกนตัญญาด้วยประการจะนี้แหละ